รู้สึกตัวแล้วก็ดูท่าดูขันทำงานไปนก็แค่นั้นเองถึงเวลาจิตมันฉลาดพอแนละ้วเมืนกวางวางของมันเองกว่าจะมาถึงวันที่ใจมันตื่นมาเป็นผู้รู้ขันมันแยกเห็นขันแสดงใยรักได้เ้วลำบากมานาน คนห้งใช้เวลาหลายสิบปีเนะ mm hmm. ข้าวัดโน้นวัดนี้เรียนมาเรื่อยๆมาถึงจุดที่แยกขันออกมาเราเห็นขันมันทำงานนะใจเราเป็นแค่คนดูต่อไปนี้ก็จะสบายแล้วไม่ลำบากลมลุกลุกค ล, ลานอย่างแต่ก่อนนะมันจะเหลือแต่แค่จเจริญแล้วเสื่อม ใ, ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นธาตุขันทำงานไป บางวันก็ดีบางวันก็เสื่อมไปแต่การอาวนาไม่ลำบากสมัยยังแยกขันไม่ได้กันไม่เห็นไตรลักษ์เลยเนขะดิ้นรนแสวงหาว่าทำยังไงจะดูเป็นทำยังไงจะพานาเป็นคนจำนวนมากก็พลาดไปทำกรรมฐานผิดผิดไปเลยพวกเราคลอยๆผ่าน ผ่านด่านมาเยอะและ้วผ่านจุดที่ลำบากมาตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกท่านคิดจะไม่สอนรู้สึกมยากอย่างพวกเรายังไม่ทันจะตรัสรู้รู้สึกไหมกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ไม่ง่ายเหนื่อยหนักหนาสหาหัสเลยนะตั้งแต่เด็ก ๆ, ๆบางค น, นเะนะี่ภาวนาเข้าวัด อาวิธีปฏิบัติเงันเวลาท่านบราารลุพระอรหันต์กันนะช่วงแรกๆท่านจะถอดใจเป็นเหมือนกันหมดครูบาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟัง mm hmm. ถอดใจมันสอนไม่ไหวตัวเองกว่าจะตะเกียกตะกายมาได้นะมันไม่ใช่ง่ายๆอันนี้จะามาสอนคนให้เดินตามนะ แท่ก็รู้สึกว่าไม่ไหวพูุทธเจ้าท่านก็จะไม่สอนประวัติครูบาจจารย์ท่านก็คิดจะไม่สอนเหมือนกันแต่เสร็จแล้วความกรุณาที่สะสม ม, มันเคยชินที่จะกะรุณาตเตือนให้รู้ว่าคนที่อินทรีย์แก่กล้าก็ยังมีอยู่ไม่สามารถพาทุกคนไปนิพพานได้ แต่คนที่อินรียแก่กล้าแล้วเขาตามได้ท่านก็เลยมาสอนเวลาเราภาวนานละ้กว่าเราจะมาถึงจุดปัจจุบันได้ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานก็ยากนักหนานะกว่าจะแยกขันได้ก็ยากนักหนาแนละ้วบางคนใช้เวลาตั้งหลายสิบปีบางคนภาวนามาตั้งหกสิบปีหลวงพ่อเคยเจอนะยังภาวนาไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบเฉย แยกขันธ์ก็ไม่เป็นที่พวกเราค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกของเราไปทุกวันทุกวันถือศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบต้องปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าอย่าไปคิดว่าเราจะปฏิบัติเอามากผลนิพพานห้เอาดีเอาพิเศษอะไรมันจะไม่ได้ปฏิบัติแล้วอยาเอาเข้าตัวปฏิบัติถวายพระไป แล้ปฏิบัติแล้วเซิร์ฟกูจะได้ดีสัทีกูจะได้เก่งสัทีกูจะได้หลุดพ้นสัทีกูเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งภาวนานยิ่งเซลล์จัดคิดว่าเราปฏิบัติบูชาพระทุกวันปฏิบัติเรานับถือท่านอะไรที่ท่านห้ามเราก็ไม่ทําอะไรที่ท่านให้ทําเราก็ทําท่านให้เราถือศีลเราก็ถือท่านให้เราฝึกจิตฝึกใจ ให้สงบฝึกจิตฝึกใจให้ฉลาดเราก็ทําฝึกกาวาจานะด้วยศีลฝึกใจด้วยสมาธิและปัญญาสมาธิฝึกให้ใจสงบสบายมีเรี่ยวมีแรงปัญญาฝึกให้ใจฉลาดฉลาดอย่างเดียวไม่มีแรงก็ไม่ตัดหรอกไม่มีแร ง, แรงตัด แต่สมาธิที่จะต้องฝึกเป็นสมาธิที่ถูกจิตตั้งมั่นไม่ใช่สงบจิตสงบไม่ตัดต้องจิตตั้งมั่นมันต้องถึงฐานจริงๆเลยดั้นจิตออกนอกนิดเดียวก็ใช้ไม่ได้แล้วให้เราคอยรู้เวลามันไหลไปขณะที่อริยมรรคจะเกิดนะมันเข้าถึงฐานจริงๆของมันเลยไม่ใช่เข้ามาแค่ถึงตัวรู้นะ เข้าไปถึงาธาตุรู้โคนละานกันระหว่างจิตผู้รู้กับตัวาธาตุรูนะ้นั้นคนละระดับกันจิตผู้รู้ยังแปรปรวนอยู่ยังถูกสิ่งต่างๆปรุงแต่งได้ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความว่างบ้างาธาตุรูนะ้นั้นไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้นะมันอิสระสะอาดหมดจด ที่มันจะทวนเข้ามานอาศัยจิตถึงฐานจริงๆเลยค่อยๆฝึกไปแ้่จิตเราเคลื่อนออกไปเรารู้จิตเคลื่อนออกไปเรารู้จิตก็เข้าถึงฐานนองมันแต่ตรงนี้เป็นถึงฐานของตัวผู้รู้จิตผู้รู้จิตผู้ดูก็เห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหเปลี่ยนแปลงไปจิตเป็นแค่คนดูแล้วก็เห็นว่าจิตผู้รู้เองก็ยังตกอยู่ใต้ใจรักด้วย ถ้าคนไหนฝึกแล้วจิตผู้รู้คงที่เสถียรนะทำผิดแน่นอนแสดงว่าประคองตัวผู้รู้ไว้ไม่ตัดอีกอย่างนี้ก็ไม่ตัดก็ต้องเห็นว่าอารมณ์นั้นเกิดนับได้จิตผู้รู้ก็เกิดนับได้เจริญได้ก็เสื่อมได้มีสติได้ก็ขาดสติได้มีความสุขได้ก็ขาดความสุขได้สงบได้ก็ฟุ้งซ่านได้เห็นมันหมุนไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เด็กเขาเป็นผู้เพ่งสารพัดจะเป็นแต่มีผู้รู้นืองๆรู้สึกบ่อยๆไม่ใช่รู้สึกตลอดเวลาอย่าพยายามที่จะรู้สึกตัวตลอดเวลารู้สึกให้เป็นธรรมชาติที่สุดเลยจิตที่เป็นธรรมชาติของแต่ละคนยังไม่เท่ากันจิเลสหนาปัญญายาบก็รู้สึกตัวน้อยมากเลยแทบไม่รู้สึกเลยมีแต่หลงไปไหลไป พอเรามาฝึกนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ไหลตั้งแล้วก็ไหลไหลนานกว่าตั้งไหลทีหนึ่งยาวๆนานๆตั้งขึ้นมาทิ้งหลาพอหัดใหม่ๆก็เป็นขนาดตั้งสมาธิไมาเด็กนะจะตั้งไว้ด้วยสมาธินะ่าตั้งได้นานเลยแต่ตอนไปหัด จ, จากหลวงปู่ดุลพ์าพให้ดูจิตเนี่ยพอดูรู้ทันจิตที่เคลื่อนปุ๊บสิ่งแนละ้วตั้งตั้งได้ชั่วขณะก็ไหล นานๆไปค่อยสังเกตเห้ยมันตัวเดียวกันแหละแต่เวลาที่เรานั่งสมาธิมานั้นได้ตัวรู้มาแต่ตัวรู้ที่เกิดจากการที่รู้จิตไหลเนี่ยเป็นตัวรู้ไปขณะขณะแต่ถ้าขณะขณะนี้เกิดบ่อยมันก็เหมือนตั้งยาวที่แรกก็มันก็แปรปรวนนะเห็นเห็นจิตผู้รู้นี่แปรปรวนได้ตอนที่นั่งสมาธิมาแต่เด็กจิตผู้รู้ไม่แปรปรวน อารมณ์เราแปรปรวนแต่จิตผู้รู้เที่ยงอาจารย์หลวงปู่ดูลให้พาให้ดูจิตเห็นจิตมันทำงานขึ้นมาตัวรู้เองก็แปรปรวนเน่ถึงเข้าใจได้ทั้งหมดนะว่าทั้งจิตทั้งอารมณ์ทั้งรูปทั้งนามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดระดับทั้งสิ้นใจมันค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นไปเวลาที่จิตจะเข้าถึงธรรมะจิตจะรวมเข้าสมาธิ ถึงอัปนัสมาธิเป็นอัปนาสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอัปนาสมาธิก็จะมีสองอางสองอย่างอห น, นึ่งจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เรียกอรรมโนปนิชฌานตอนที่เราทํำวิปัสสนานกับตอนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นลักขณูปนิชฌ า, นค น, ชา น, น, นคนละฌานกันแคนละฌานก็จริงนะแต่ดีกรีของความสงบเนะี่ย 1234สสี่ห้าหกเดแปดเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ความสงบเนียคนละแบบกันอันหนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันหนึ่งสงบอยู่กับตัวเองนะไม่แผ่ซ่านออกไปรู้เนือรู้ตัวอยู่เวลาที่จะเกิดเริมกักจิตจะรวมเข้ามาปนาสมาธิปนาสมาธิเข้ามาที่จิตไม่ไปอยู่ที่อารมณ์ แ้ไม่เห็นอารมณ์นะผุดขึ้นมาจากจิตนะจะว่าผุดจากจิตก็ไม่เชิงเหมือนมันผุดขึ้นมาจากความว่างนมันก็หายไปในความว่างจิตไม่แค่คนเห็นแต่ถามว่าผุดจากตรงไหนมันก็เหมือนผุดขึ้นมาจากจิตผุดขึ้นมาจากกลางกลางจากกลางๆางกลางๆลางอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกัน กระผดขึ้มาปัญญามันพอนะมันก็วางคราวนี้มันวางอารมณ์นะแล้วมันวางผู้รู้ด้วยมันทวนกระแสขึ้นไปอีกทีหนึ่งยังจับผู้รู้อยู่ก็ยังเป็นโลกอยู่เป็นโลคิยะอยู่วางจิตผู้รู้แล้วมันทวนกระแสเข้ามาไม่ถึงธาตุรู้ก็ยังไม่ใช่โลคุตตะละขับลูกครับดอก ภาวาคับลูกคาบดอกนี่เกิดชั่วขณะแป๊บเดียวเท่านั้นเหมือนเรานั่งเรือเรือมาถึงฝั่งแล้วเรากระโดดจากเรือขึ้นฝั่งขาหนึ่งพ้นจากเรือนะขายข้างหนึ่งยังไม่ถึงฝั่งเนี่ยเป็นภาวะานั้นนะแว๊บเดียวแต่เวลาที่จะเกิดเรียมักเนี่ยไม่มีอย่างอื่นมาขั้นผ่านตรง จุดลอยต่อเนี่ยช่วขณะเราจะต้องเกิดอรอยิยมรรคแน่นอนไม่เหมือนโดดเรือนะอาจจะตกลงไปในช่องระหว่างเรือกับฝั่งอย่างไม่แน่โดดจะขึ้นถึงฝั่งก็พออย่างไม่แน่แต่โดดตรงนี้จิตมันโดดข้ามภพ ข, มข้ามข้ามข้ามภูมิข้ามภูมิเลยนะไม่ใช่ข้ามภพนะมนรู้จักภพแล้วตรงที่มันทิ้ง ตัวผู้รู้มันมันหลุดจากพบนะแต่มันเปลี่ยนภูมิจากโลกิยาภูมนะิไปสู่โลกุตระภูมิเพื่อไปสัมผัสพระนิพพานเต็มที่ตอนที่ทวนเข้าถึงธาตุรู้เนะอริยมรรคก็เกิดขึ้นจะแวกทำลายสิ่งที่ห่อหุ้มจิตออกเชื้อภายในจิตบางส่วนก็ถูกฆ่าตายไป สังโยชน์บางส่วนถูกฆ่าตายอาสวะที่ห่อหุ้มจิตก็ขาดออกถ้าอาสวะถูกทำลายไปทั่งช่วงขณะหนึ่งเนียมันจะไม่มีช่องทางที่กิเลสจะไหลเยิ้มเข้ามาสู่จิตได้กิเลสไหลเยิ้มเข้ามาสู่จิตได้นะด้วยอาสวะอาสวะเนี้ยคล้ายๆอย่างเราทำน้ำหกไปที่พื้น น, ะน้ำก็ไหลไป เราก็เช็ดน้ําแห้งแล้วนะเพาน้ําหกใหม่เนะมันจะไหลไปในร่องเดิมเนะี่ยอย่างรวดเร็วเลยมันมีร่องที่เคยไปอาสวะเนี้จะพาให้กิเลสนะซึมซ่านเข้าสู่จิตอย่างรวดเร็วเลยด้วยความเคยชินเป็นตัวที่ทําให้กิเลสนะเข้ามาย้อมจิต ง, ง่ายตัวนี้ขาดขออกนะกิเลสเข้ามาถึงจิตไม่ถึงเลยกิเลสไม่เกิดขึ้นตรงนั้น ค่อยฝึกไปขาดทีหนึ่งแล้วแปบ๊บเดียวจิตทรงตัวอยู่ชั่วคตะแวบบสั้นๆเท่านั้นเองสั้นขนาดที่ว่าทั้งกระบวนการที่เล่าเนี่ยใช้เวลานิดเดียวครูบาาจารย์องคหนึ่งเคยเล่าให้ฟังพูดเืยอท่านได้แล้วท่านไม่อยู่แล้วหลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเลยแต่ท่านเล่าแบบเรียบเฉียงนิดหน่อยไม่พูดตรงๆ ถ้าเราเป็นพระท่านคงพูดตรงๆท่านบอกท่านนั่งเทศแต่นั่งเทศอยู่น่ยจิตมันรวมเข้าไปกําลังเทศเทศอยู่นี่แหละจิตนทรงสมาธิในการแสดงธรรมครูบาอาจารย์กรรมฐานนะไม่เหมือนครูบาอาจารย์ปริยัยนิครูบาอาจารย์ปริยัตยิเนี่ยเวลาเทศก็คิดไปเรื่อยเทศไปจำจำมาเรียบเรียงมาเพราะทิ้งเทศไป ครูบาอาจารย์ปฏิบัติไม่ได้เรียบเรียงอะไรเวลาเทศน์น ท, ท, น ท, ท, ออท่านทรงสมาธิอยู่เฉยๆแล้จิตมันถ่ายทอดธรรมะออกมาเนี่ยจิตท่านทรงสมาธิอยู่แล้วมันไปนเดินปัญญาตอนที่เทศอยู่นะมันเห็นไหวๆขึ้นมาเกิดดับขึ้นมาท่านบอกมันรวมปุ๊บมันขาดตรงนั้นเลยขาดแล้วจิตถอยออกมาะกลับมาสู่โลกข้างนอกเนี่ย ถ้ารีบนึกทบทวนวาไม่กี้เท่อะไรหรือหมดเลยนะรีบทวนไปไม่คิดทูดถึงไหนเรื่องอะไรถึงไหนนึกขึ้นมาได้แนละเทศต่อถ้านบอกไม่มีใครรู้เลยเหมือนหลวงพ่อเว้นวักนิดเดียวแค่เนี้เนี่ยเหมือนเว้นแค่นี้เองมันเลยวขนาดนั้นบนะอกว่ามันพ้นทุกข์ไปนะนสิ่งเหล่านี้เป็นของอัศจรรย์นนะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาของเรานี่แหละ ที่อื่นไม่มีหนอกของคนอื่นศา ส, สนาอื่นมันมีแต่เรื่องพึ่งพระเจ้าพึ่งคนอื่นของเราพรึ่งตัวเองคน อ, อื่นไม่ชอบพึ่งตัวเองเพราะงั้นชาวพุทธแท้ๆจะมีน้อยบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็เลยต้องออกอู่บายทำฟ้าเครื่องให้พึ่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าพวกพระหน้าต้องถือศีลห้านะไม่มีศีลห้าแล้วพระไม่ขลังนะอย่างเงี้ย เป็นอุบายสำหรับพวกอินทรีย์อ่อนมากๆไม่มีที่พึ่งพวกเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งค่อยฝึกนะค่อยฝึกค่อยดูรักษาศีลห้าจำเป็นศีลขาดเ ม, มื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรเหลือนี่หลวงพ่อไปเทศที่พิสโุนโลก เส่เสร็จแล้วก็เดินมานนก็จะมีคนถามมาเรื่อยๆตอนอยู่บนเวทีไม่กล้าถามก็มาถามดักกลางทางคนนั้นถามคนนี้ถามก็มีอยู่คนหนึ่งไปเจอเขามาถามหลวงพ่อว่าเขาจะทำกรรมฐานอะไรดีปกติพะถามปุ๊บเนะี่ยเราก็จะเข้าใจนะเขาควรจะทำอะไร จะเข้าใจคนนี้พระถามผู้แบงค์เลยไม่มีอะไรเลยไม่รู้จะตอบอะไรอึ้งเลยนะเขาถามมาว่าเขาจะทำกรรมฐานอะไรเราตอบเขาไม่ได้เลยถามเขากลับกินเหล้าเปล่าเขาก็ชะงักนะแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่กินแล้วครับ เอออย่างนี้กรรมาฐานมาแล้วเนะนะไม่มีศีลนะทํามะหนีหมดเลยสู้ไม่ได้หรอกสู้กันไม่ได้เลยธรรมะหายไปหมดเลยพวกเราบางคนมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ใบ้เหมือนกันนะไม่รู้จะตอบอะไรเพราะว่าบางคนมันถามสงเดชไปถามเล่นๆถามสนุกสนุกไปงั้นไม่ได้คิดจะภาวนาบางทีก็ไม่มีศีลศีลดังพร้อย ศีลด่งพลอยเนะ่ใจที่ศีลด่งพลอยนะไม่คู่ควรกับธรรมะเงินพระธรรมเนี่ยไม่แสดงตัวออกมาเงนศีลต้องรักษานะถ้าไม่รักษาศีนภาวนามไม่ขึ้นหรอกอย่างฆราวาสศีนห้านิดเดียวพระนะั้นมีพระวินัยทั้งเยอะเนะี่ยพระวินัยดังพลอยนะราวนามไม่ขึ้นนระอยากเหมือนกันนะ ยากว่าโยชอีกในด้านหนึ่งเนี่ยได้เปรียบโยมในด้านหนึ่งเนี่ยเสียเปรียบโยมด้านได้เปรียบโยมคือไม่ต้องเครียดเรื่องทํามหากินมีเวลาภาวนาทั้งวันด้านที่เสียเปรียบโยมนั่นคือมีพระวินัยเยอะถ้าลงทําผิดพระวินัยนะถ้าทําไปด้วยความพลั้งเผลอด้วยอะไรเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าทําด้วยความหนาคือหน้าด้าน ทำแรกทำอีกทำไม่เลิกทำจนเวยชินราวนามไม่ได้เด็ดขาดเลยยิ่งอาบัติร้ายแรงนะสงสังฆาธิเศษอะไร เ, เนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องภาวนาเนยไปไม่รอดหรอกทำสมาธิธรรมดายังไม่ค่อยจะขึ้นเลยใจไม่สงบยังวินนยที่พระต้องถือระเยอะคารวะห้าข้อเอาให้ได้ก็แล้วกันนะให้ดีที่สุด เอาสักสีข้อครึ่งยังต่ําที่สุดนะสีข้อครึ่งคือยังเหลือข้อข้อสี่อยู่ข้อสี่นะี่จะให้หมดจดงด ง, งามเต็มร้อยนะียากนะทีเขาพูดเพอร์เจอร์มีไหมใครยังพูดเพอร์เจอร์อยู่สารภาพสินะพูดเพอร์เจอร์เป็นยัง ไ, พดดไงพูดโดยไม่จําเป็นต้องพูดเล่นลายโดยไม่จําเป็นต้องเล่นพูดเพอร์เจอร์นะ พูดแต่ไม่ใช้ปากเท่านั้นเองงั้นจะมาบ่นว่าพอน้ำไม่ขึ้นสีนไม่ดีสีแย่งด่างพร้อยก็พร่องกับแพร่งอยู่ <S <S ถ้าจําเป็นแล้วใช้ได้นะเฟซบุ o กไลน์เลยก็ใช้ได้อินเทอร์เน็ตใช้ได้ยังเป็นคราวาดเนียใช้ทํามาหากินได้ยิ่งดีเลยมันมีอุปกรณ์อยู่แล้วจะทามาค้าขายอะไรก็ทําไปแต่อย่าไปขี้โกงเขาเท่านั้นแหละ แตเวลาว่างๆไปผลาญเวลาเล่นไปหมดะสีนดังพลอยเราไม่นึกว่าสินจะดังพลอยนะสีนดังพลอยภาวนายากสมัยหลวงพ่อภาวนานสบายมากหลวงพ่อไม่เล่นเฟซเล่นไลมันไม่มีมันไม่มีหรอกอินเทอร์น็ตอินเทอร์เน็อนเตนอะไรมันก็ไม่มีนะจะอ่านหนังสือต้องไปซือ้อหนังสือมาถึงงานหนังสือประจําปีอะไรยเงื่อ เวลาเขาลดราคาเขไปซื้อมาเยอะหน่อยเอาไว้อ่านได้นานๆตอนจะมาบวชนะแจกหนังสือไปเป็นโอ้เยอะมากเลยเก็บหนังสือไว้เยอะหนังสือที่เก็บหนังสือคลาสสิกทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่หนังสือนิยายกิ๊กก๊กนะเนี่ยถ้าเราจะภาวนานะให้มันตั้งใจหน่อย ถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าเสรยแล้วภาวนาง่ายาการถวายชีวิตให้พุทธเจ้าไม่ใช่นั่งปฏิญาณมื่อบอกหลวงพ่อมาจุดทูบจุดเทียนบอกพระพุทธรูปไม่ใช่หรอกจะถวายชีวิตให้พุทธเจ้าจริ ง, รงๆก็ดูอะไรที่ท่านห้ามก็อย่าทําอะไรที่ท่านให้ทําก็พยายามทำเข้าทีแรกทําได้น้อยไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยมันก็ได้มากไปเอง อะไรที่ท่านให้ทำท่านให้ถือศีลล้วก็ถือท่านให้ฝึกใจให้สงบอยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกให้เจริญปัญญาก็ทำท่านสอนนะว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งพระเจ้าสอนธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานนี่สิ่งที่ท่านให้ทำ ถือศีลห้าไปแล้วก็ฝึกสมถ า, าวิปัสสนาสมถะถ้าฝึกไม่ได้มากก็เอานิดหน่อยพอให้ใจแช่มชื่นจุดสำคัญคือฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นให้ได้เพื่อจะได้เดินวิปัสสนาพวกที่ทำวิปัสสนาไม่ได้นะเพราะสมาธิมันไม่ถูกจิตไม่ถูกอย่างไปดูท้องพองยบจิตไปอยู่ที่ท้องไม่ถูกแล้วเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าไม่ถูกแล้ว อันนั้นเป็นอารามณูปนิชานเพ่งอารมณ์ใช้ท้องเป็นอารมณ์ใช้เท้าเป็นอารมณ์ใช้มือเป็นอารมณ์ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์จิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์แม่นจะฝึกสมาธิที่เดินปัญญานะให้รู้ ท, นทันจิตที่เคลื่อนไห้อย่างหลวงพ่อเตียนสอนดีนะขยับมือเนี่ท่านบอกขยับธาตรู้ปลุกความรู้สึกตัวขยับไปเพื่อไม่ให้ซึมนะ ขยับไปแล้วถ้าจิตมันหนีไปคิดรู้ทันมันมคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวรู้ปุ๊บหนูตายเลยตกไม่หนีไปคิดรู้สึกเอารู้สึกเอาหลังๆก็ทําก็เริ่มผิดกันอีกนะไ่แล้วก็ไปเพ่งให้จิตยอยู่กับมือเป็นอารามนุปนิชานไปแยกมันไม่ออกแล้วสมาธิีไม่ชํานาญสมาธิแยกไม่ออกสมาธิแยกๆมิจฉาสมาธิก็มีนะมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีสติ สมามาสมาธิยังมีสองส่วนสมาธิอารามณูปนิชานทำไปให้ได้ที่พักผ่อนรักขณูปนิชานทำไปเพื่อเดินปัญญาและเวลาที่อริยมรรคเกิดนี่เกิดด้วยรักขณูปนิชานจิตเข้าฐานจริงๆงั้นเราก็ฝึกสมถะและวิปัสสนา สมถะฝึกมากไม่เป็นเข้าชาญไม่ได้ไม่เป็นไรสมรถะมีตั้งสี่สิบอย่างนะคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆคิดถึงบ่อยๆก็ได้สมาธิแล้วหลวงพ่อไปประเทศฮินดูนะไปไปดูที่บาลีมาเห็นว่าเขารักษาวัฒนธรรมเขาได้อยากดูว่ามันรักษากันยังไงเขาเป็นฮินดูวันหนึ่งนะเขาต้องไหว้สามครั้งนะมีกระถงเล็กๆไหว้ ไหว้สองแห่งไหว้หน้าประตูบ้านที่พื้นไหว้สูงขึ้นมาไหว้เทวดาไหว้ทางข้างบนข้างล่างวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรหรอกคิดจะทากระทงกระตรงวันละหกใบเนี่ยทุกได้เวลาก็ต้องมาทําไม่มีเวลาคิดชั่วอะไรมากนอกหรอกพวกนี้หนะ้าตาใสาแต่ละคนนะมีความสุขเนี่ยสมาธิง่าย่ายแค่นิ่ง สมาธิของเขาแบบนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าเทวตานุสติเขาระลึกถึงเทวดาวันหนึ่งสามครั้งมุสลิมเขามีสมาธิไหมเขาก็มีเขาละหมาดวันละหครั้งก็ทำเทวตานุสติไม่ใช่เร็วนะเป็นเรื่องน่ายกย่องมากเลยชาวพุทธเราไหว้พระวันละครั้งยังทำไม่ได้เลยมันถึงยังไม่มีชาวพุทธเหลืออยู่แล้ว แค่เข้าไหว้เทวดาเรื่อยๆนะใจเขาก็มีความสุขมีความสงบนะมันได้สมถะธรรมฐานแนละ้ใจจะมีความสุขพวกเรามีความเป็นอยู่ดีกว่าเขานะแต่ไม่มีความสุขเท่าเขาดูเหมือนมีอะไรมากมายจะมีแต่ภาระมากมายไม่ได้มีความสุขจริงถ้าใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าอะไรหลายรอบนะอย่างหลวงพ่อสอนมาให้นึกถึงศีลนะตั้งใจรักษาศีลวันหนึ่งหลายๆรอบเลย ตื่นนอนมาก็ตั้งใจจะกินเช้าเช้าข้าวของวันข้าวเย็นก็ตั้งใจก่อนจะนอนก็ตั้งใจรวมแล้วได้ห้าครั้งนะใครนึกถึงว่าจะรักษาศีลคิดวันหนึ่งอย่างน้อยห้าครั้งนะโอกาสทำชั่วมันก็น้อยลงไปตั้งเยอะแล้วนี่ก็คืออะไรสีลานุสติสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้ก็เล่นอย่างนี้นะแหละระลึกถึงสิ่งที่ดีๆไปเรื่อยๆ พร พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์งละลึกถึงธานุละลึกถึงศีลละลึกถึงเทวดาละลึกถึงคนที่ดีละลึกถึงความตายละลึกถึงร่างกายละลึกถึงลมหายใจนะคอยละลึกแปอย่างลมหายใจระลึกควบกับความตายก็ได้หายใจไปแล้วทำความรู้สึกไปว่าเนี่ยชีวิตกาลังตายไปเรื่อยๆหายใจออกก็ตายทีหายใจเข้าก็ตายไปทิ้งชีวิตสั้นลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ อนาปนาสติน่าเล่นเล่นกว้างกวางนะเล่นคลิกแปลงไปได้เยอะแยะสนุก <S <S เราไปฝึกนะฝึกได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาดีที่สุดจะได้มีที่พักผ่อนในโลกนี้เครียนในโลกนี้เหนื่อยเกินถ้ามีสมาธิเป็นที่พักผ่อนบ้างใจมีความร่มเย็นเป็นสุ็พออยู่กับโลกทุกทุกอันนี้ไปไหวให้มีเรี่ยวมีแรงที่จะตะเกียกตะกายให้พ้นจากโลกไป ก็จเจริญปัญญาขนะ้ผลจากโลกได้เรื่องธรรมะที่ควรจเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะและวิปัสสนานะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ทำก็ทำไปทำได้แค่ไหนก็พยายามไปต่อไปมันก็เก่งเองแล้วมันไม่มีใครเก่งมาแต่แรกแล้วค่อยๆฝึก้องไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ